สัติเป็นบุคคลแก้ไขไม่ได้ในชาติหนึ่งเหมือนกับเขาสอบตรงเรียนสอบ่นันสอบตกในขณะนั้นจะขอสอบแก้ตัวก็สอบมันต้องเรียนต่อไปอจนกว่าภูมิความรู้สมควรจะสอบ แล้วก็สอบสาำอีกได้แล้วก็เดือนทานขึ้นไปมีแล้วเกิดมานี่ถ้าผูกหรือผิดก็ได้เกิดมาแล้วจะเป็นสัตว์ก็เป็นเต็มทีเป็นสัตว์ประเภทใดก็เป็นเต็มทีเป็นคนก็เป็นเต็มทีหากตัวใดขาดตกบกพร่องส่วนใดก็ขาดมาจากเต็มทีจะแก้ไขก็ลำบาก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 สัตว์เราเดินไปที่ไหนไมีแต่สัตว์ในน้ำก็มีอยู่บนบกก็มีอยู่บนต้นไม้กิ่งไม้อยู่ที่ไหนมีทั้งทั้งนั้นเต็มไปหมดก็เียต่ำๆสัตว์เกิดได้ไง่ายแต่มนุษย์เราไม่เป็นเียนนั้น ความเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นรากอันสูงสุดในชาตินี้คำว่ามนุษย์สมบัติหมายถึงส่วนสกนรากายที่สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องและไม่เป็นใบบาทเยอะแยะอีกเรียบว่าเป็นมนุษย์สมบัติเต็มที่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 พุทธศาสนานี้สามารถสอนคนให้เป็นคนที่เยี่ยมทัทง้งๆที่เป็นมนุษย์นี่ก็ได้คือเยี่ยมภายในใจแม้จะเป็นใจที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับคนทั่วๆไปหรือจัดทั่วๆไปก็าตามแต่ลักษณะแห่งคุณสมบัติของใจความปรุกของใจ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 ที่ไหนได้ยินแต่ชื่อนรกก็ดีเราก็ไม่ได้เป็นสัตว์นรกสัตว์ก็ได้ยินแต่ชื่อเราก็ไม่ได้เป็นสัตว์เราก็เป็นเหมนือนเพราะฉะนั้น่วนได้เห็นคุณค่าในตัวของเราและจิตใจของเราซึ่งครองอยู่ในบัดนี้พยายามอบรมดัดแปลงวิถีทางเดินของผีจิตใจของเราให้เป็นไปได้วยความสม่ำเสมอราบรื่น ทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะมีความสะดวกสบายอยู่ในโลกนี้ก็เห็นความสบายภายในตัวถ้ามีธรรมเป็นเครื่องรักษาดัดแปลงจิตใจให้ถูกทางไปโลกหน้าก็คือจิตดวงที่ดัดแปลงอยู่นับบัดนี้จะเป็นผู้ไปไม่มีสิ่งใดจะไปโลกหน้าไนดะ้ นอกจากติดดวงเดียวซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งท่านั้นต่างท่านต่างก็เป็นนาย่างที่จะฝุดฝนอบรมดัดแปลงจิตใจของตนในคราวที่มีชีวิตอยู่ถ้าชีวิตหาไม่แล้วดัางกายก็สุดวิสัยที่จะพาทำติดการงานต่างๆจะรักษาศีลก็ไม่ได้ จะเจริญเมตตาภาวนาก็ไม่ได้เรียว่าขาดพุกอย่างฉะนั้นเราจะเห็นสินงใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าใจของเรกแม้เราจะสอบแสวงหาสิ่งอื่นมาเพื่อเป็นการบำบัดให้ร่างกายและจิตใจมีความสุขเราก็อย่าลืมตัวถึงกับว่าได้พลาดไปเพราะอีกการงานนั้ น, น, น โดยความอยากเป็นเจ้าเรือนจิตใจท่านได้รับการอบรมอยู่เสมออย่างไรก็ไม่ถอยหลังจะ ก, ก้าวไปทีละนิดไปทีละหน่อยก็ตามต้องก้าวไปเสมอการดัดแปลง การอบรมตนเองนี่เป็นสิ่งสำคัญให้เราถือเชื่อว่าธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่กับทุกทุกท่านผู้ใดอยู่ที่ไหนจะแย่งหาธรรมะก็ได้ไม่ว่านาบวดไม่ว่าขรวด ขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรขึ้นอยู่กับความเชื่อความรำสายตามหลักความจริงแห่งธรรมแม้เราจะจากทูบาร์จานไปก็จากไปตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนด้านจิตใจที่ท เ, เคยมีความสัมพันธ์เ่ยวเนื่องกับศีลกับธรรมนั้นเป็นสิ่งที่แนบสนิทอยู่กับใจของเรา ทั้งการมาอยู่ทั้งการจากท่านปัปเพราะฉะนั้นธรรมาพระพุทธจเจ้านิทานแล้วจึงเป็นเพียงพระกายของพระองค์เท่านั้นส่วนคุณงามความดีทั้งหมดที่ได้ประทานวาแล้วอย่างไรก็ต้องคงเส้นคงวาดีเท่นนั้นผู้ปฏิบัติตามสัจขาตธรรม ที่ตรัสไม่ชอบแล้วจะต้องเป็นผู้ได้รับผลเสมอไปดังนั้นคำว่าธรรมโมหาเวรคติธรรมจรใจจึงเป็นธรรม ท, ที่ไม่มีต้นมีปลายผู้ใดปฏิบัติรักษาธรรมคือรักษาตนเองผลคือความสุขความเจริญ ก็ย่อมจะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัตินักนันท์ท่านที่เป็นนักบวชก็ดีโปรดไต้สำคัญในหน้าที่ของตนคำว่านักบวชเป็นผู้ปล่อยภาระ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 ไปกว่าเรื่องของพระถ้าเราเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องของพระแล้วพระของเราก็เริ่มจะด้อยลงไปขอวัดปฏิบัติการรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็จะด้อยความภาคความเพียรเพื่อจะให้เป็นไปในทางความสุขความเจริญทานหนึ่งจิตใจของตนก็จะด้อยลงเพราะสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่าคําว่าพระ ซึ่งมีประจำเพศของหนอกทุกก็จะลำบากขนาดไหนก็ขอให้ทุกลำบากแปดยกศิษฐ์พระธาคมฏโง่ก็ขอให้โง่อยู่ในวงธรรมะคำส อ, สอนของพระพุทธเจ้าฉลาดก็อยาให้เลยทางของพระพุทธเจ้าที่ประทานเอาไว้นี่ือว่าเป็นลูกพระธรรมกฏ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 ทำว่าพระเมตตานั้นมีอยู่ทุกสัตว์ทุกบุคคลร่องรอยพระเมตตาได้จากพระธรรมแปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์ที่วางไว้เป็นแนวทางหรือบันไดเพื่อให้เราทั้งหลายเนียก้าวเดินไปตามพระอาวาตัตนนั้นจะไม่ผิดหลงทั้งชาตินี้ก็จะมีผลตอบแทนให้มีความสุขความเจริญภายในใจชาติหน้าซึ่งจะติดต่อจากชาตนี้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 ไม่คำหนึง่งถึงทางผิดแม่ทางถูกผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่ผู้ใดที่สังเกตทั้งทางเดินที่ตนจะไปสู่จุดนั้นๆด้วยสังเกตการเหยียบย่างเท้าของตนด้วยว่ามีอะไรในหนถังผู้นี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุง่งเรืองและถึงจุดหมายปลายทางถ้าว่าคำตั้งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆบททุกๆบปา ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นทางแห่งตัวค้าตธรรมหรือเรียกว่าเป็นมรโขครือทางที่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายจะดำเนินไปเพื่อความรง่ากลืนและถูกต้อง<ม>ถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะพระอาวาททุกทุกบททุกบาทที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า น, านั้นเต็มไปด้วยหลักเหตุผลหาข้อแย้งไม่ได้แม้แต่นิดเดียว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 ซึ่งดำเนินตามร่องลอยแห่งพระเมตตาคือเทววันั้นให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่ได้โดยน้ำหนักนับตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดคือยมุตภณิพานจะไม่เลือกการเลือกสมัยใดๆตามภารธรรมที่กล่าวไว้ว่าอากาลิโกความดีเป็นของมีอยู่ประจำโลกความชั่วก็เป็นของมีอยู่ประจาโลกการทาดีทาชั่วมีอยู่ ความสุขความทุกข์จึงสูญหายไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นคําว่าอากาดิโกจึงถูกทั้งทางดีและทางชั่วถูกทั้งผลดีผลชั่วสุกทุกทั้งหลายและมีอยู่กับผู้ทํานั้นด้วยมีเรียกว่าอากาดิโกเป็นศูนย์กลางอยู่เช่นนี้ไม่เคยเสื่อมพูนอัตราทานไปไหน คือว่าธรรมะคํา่อสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติตามจะได้รับความเดือดร้อนและถึงความอับจนนั้นจะเป็นไปไม่ได้ถ้ า, าว่าเป็นเช่นนั้นแล้วคำว่าธรรมโมหาิรัคติธรรมใจจะเป็นธรรมที่ถูกต้องไปไม่ได้เราทั้งหลายผู้ดำเนินตามร่องรอย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 ด้วยการทำของตนได้ผิดพลาดจากหลักความจริงคือสวขรคธรรมของพระพุทธเจ้าผ่านไปผลจิตปรากฏเช่นนั้นขึ้นมาถ้าหากเราได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราให้ถูกทางธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำว่ามรรคผลนิพพานในข้างนั้นกับในข้างนี้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 อยู่เสมอไม่ได้ล่วงลับกับขันนิพพานไปตามพระโทธเจ้าไม่ได้ชั่วไปตามผู้ใดไม่ได้เรียวแหลมไปตามคำกล่าว ห, หาหรือว่าร้ายของบุคคลใดๆทั้งนั้นถ้าหากว่าธรรมะคำตั้งสอนของพระโทธิจักรไดเอ็งเอียงไปตามคําตำหนิอิฉมของคนแล้วจะเป็นธรรมะของจริงทรงโลกทรงธรรมไว้ไม่ได้ ธรรมะนี้จะกลายเป็นบ่อยของคนทั่วทั่วโลกใครใช้ไปไหนก็จะได้เพราะธรรมะเป็นของเองียงเดียงแต่นี้ไม่เป็นเท่านั้นจึงตั้งอยู่ในความเป็นมัคคิ ม, มาเสมอต้นเสมอปลายผู้ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีจิธิที่จะรู้เหตุรู้ผลรู้ถิดรู้ถูกซึ่งมีฝังอยู่ภายในจิตใจของตนเองได้โดยลาดับ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 ให้เดินไปคนละทางผลเป็นชนิดใดก็เหตุเป็นชนิดใดผลจะปรากฏเป็นชนิดนั้นขึ้นมาคือเหตุดีได้แก่เราประกอบถูกต้องดีผลจะเป็นความสุขขึ้นมาภายในใจเห็นประจักษ์มีเรียกว่าสันทิปคิโกคนอื่นจะไม่เห็นก็ต า, ามเมื่อตนทําถูกแล้วความเย็นอกเย็นใจจะปรากฏขึ้นมา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 มีอยู่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นสันทิฏิโกมีจะเป็นธํานองนี้แต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่ชันทิฏิโกคือความเห็นเองภายในตัวนั้นมีอยู่กับทุกทุกท่านผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางเริ่มตั้งแต่สันทิฏิโกชั้นยาชั้นกลางเข้าไปจนถึงชั้นละเอียดที่สุดก็จะปรากฏภายในใจเ่นใจของเราแต่ก่อน ไม่เคยมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระศาสนาไม่เคยสนใจต่อการให้ทานต่อการรักษาศีลต่อการเจริญภาวนาที่นี่เราก็ได้สนับบฟังทำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความลมใหลขึ้นมาเนื้อจากทาบุญให้ทานถึงกับต้องทาบุญให้ทานรักษาศีลและเป็นเหตุให้เกิดความเคยคินต่อนิสัยของตนอย่างนี้เราก็พอทราบได้ดูว่า นิสัยของเราแต่ก่อนกับนิสัยที่เป็นอยู่ในบัตรนี้หรือความรู้สึกแต่ก่อนกับความรู้สึกในบัตรนี้มีความต่างกันนี่ก็จัดเป็นสันธิ่ิีโก ร, รู้ภายในตัวเองที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพมาอย่างไรในความรู้สึกเช่นอนั้นในผู้ฝึหกหัดภาวนาใจมีความวุ่นวายยุ่งเหยงิงหาความสงบไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏความสงบของใจว่าเป็นอย่างไร ความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบนั่นเป็นเช่นไรเราไม่มีโอกาสจะทราบแต่พอได้บาเพ็ญภาวนาตามในที่ท่านเนี่ยเอาไว้มาบาเพ็ญภายในตัวเองปรากฏเป็นความสงบภายในใจจะสงบน้อยกว่าตามก็พอรู้สึกว่านี่คือความสงบผลเกิดขึ้นจากความสงบคือความสุขเย็นใจสบาย นี่ก็เป็นสันธิฏฐิโกประเภทหนึ่งมีความสงบมากยิ่งกว่านั้นจนเห็นประจักษ์ทั้งกลางวันกลางคืนไปไหนกําหนดดูใจกับความสงบกลมกล่อมกันอยู่เสมอไม่ได้แยกย้ายจากกันเลยนี่ยิ่งจะเห็นชัดเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนท่นี้เรามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบเข้าไปยิ่งกว่านั้นสันธิฏิโกก็ทราบชัดทั้งความสงบน้าด้วย ทั้งความรอบคอบหรือความแยบคายของปัญญาได้สอดส่องมองดูสภาวธรรมทั้งหลายเห็นเห็นน่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความแตกสลายมีความมิโยพัดพลากจากกันไปทั้งเขาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเราก็ค่อยทราบชัดไปโดยทางปัญญาตามที่เราทั้งหลายได้เคยสวยดว่านานาภววินาภวะอย่างนี้เป็นต้นมีแล้วก็ทราบขึ้นภายในตัวของเรา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 กับภายในตัวของเราว่ามีสภาพอันเดียวกันแล้วก็จะปล่อยวางความสําคัญมั่นหมายเข้ามาได้เป็นลําดับการปล่อยความสําคัญมั่นหมายเพราะอํานาจของปัญญาเข้ามาได้เป็นลําดับนี้เรียกว่าเราถอดถอนความกังวลอันเป็นภาระให้เราแบบเราหามนั้นออกจากใจของเราเป็นชั้นๆเข้ามานี่ก็เป็นสันทิฏิโกเข้ามาเป็นลําดับ ยิงมีการถอดถอนได้เพราะอำนาจของการพิจารณาพูดบาทุกขังก็ถึงใจเห็นชัดว่าเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจของเราพูดว่าอนิจจังก็เห็นความแปรสภาพทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งการก้าวไปถอยกลับในยาบททั้งที่เป็นเรื่องแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาหาความคงที่ไม่ได้ในสัตว์แลบุคคลพูดหนึ่งหนึ่ง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 ถึงหลักความจริงจริงเพราะคำว่าอา น, นิจังไม่ก็ดีทุกขังคุริอนัตตาคริไม่ใช่เป็นเพียงคาพูดแต่มันเป็นตในลักษณะตามลักษณะของธรรมชาตินั้นจริงๆตั้งแต่เรายังไม่รู้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเมื่อเราได้รู้เขาในขณะนั้นก็เป็นอยู่เช่นนั้นเรารู้ผ่านไปจริงๆก็เป็นอยู่เช่นนั้นเพราะฉะนั้นใครจะรู้ใครจะหลมก็าตามสภาพเหล่านี้ต้องคงที่อยู่เสมอนี่นี่ก็เป็นสันติสิโกประเภทหนึ่ง และขอย้อนถึงเรื่องความทุกข์ว่าพระพุทธศาสนาสแสดงตั้งแต่เรื่องความทุกข์ของสัตว์ถ้าก็จะทําทให้จิตนี่มีความเศร้าโศกหรือเป็นเหตุให้จิตใจอับเฉาผู้นับถือพุทธศาสนาสอนตั้งแต่เรื่องกองทุกข์นี่ถ้าจะพูดกันไปในทํามนองนั้นก็สแสดงว่าคนนั้นไม่รู้เรื่องความหมายของศาสนาที่แท้จริง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 ไว้สําหรับแก้ไขความขัดข้องเพราะความขัดข้องนั้นก็เป็นอันทุกอันหนึ่งเช่นเราไม่มีข้าวจะในบ้านจะกินอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ก็ต้องวิ่งเต้นขอนขวายที่ยาที่วิ่งเต้นขอนขวายท่านเรียกว่ามัะทางดําเนินเพื่อความเจริญเพื่อความสุขสําหรับครอบครัวไม่มีเงินจะใช้ก็ลําบากเป็นกองทุกันหนึ่งการเจาะแสงหาเงินมาใช้ก็เนื่องจากการพิจารณาแล้ว ว่าถ้าไม่มีเงินก็เป็นทุกข์แล้วเสาะแสวงหาเงินมาใช้ในครอบครัวของตนนั่นก็เป็นมรรคคือทางแก้ทุกข์ไม่ใช่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนให้คนมีความโศกเศร้าเอาทุกข์มาคุ้มลุมซึ่งกันและกันศาสนาทั้งหมดในคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นกองเพลิงไม่ใช่อย่างนั้นสอนเพื่อคนจะแก้ไขตัวเองเป็นทุกข์เพราะเรื่องใดก็ต้องพยายามแก้ไขท่านสอนอย่างนั้นต่างหาอืม ว่า ม, มีความรู้วิชาการทํามาค้าขายหรือกิจการงานต่างๆทําอะไรก็ไม่ทันเขาเพราะคนโ ง, โง่ก็ต้องสอนให้ฉลาดความโง่มันก็เป็นผลเกิดขึ้นมาจากความไม่สนใจความผิดเพีเยนชีคางความขยันหมั่นเพียรนนะเป็นทางเกิดขึ้นแห่งวิชาสมบัติต่างๆนะพระโพธิจักก็สอนนี่สอนเพื่อแก้ทุกข์ไม่ใช่สอนเพื่อให้ปอดเอาทุกข์นั้นมาเป็นเครื่องกุ้มลุมจิตใจให้รับความเดือดร้อน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 มีศาสนาสอนอย่างนั้นที่นี้ย้อนเข้ามาสู่ภายในเมื่อภายนอกสมบูรณ์เข็นมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีเครื่องใช้ใหม่สอยสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็มีความสุขในด้านนั้นแต่เรามีความทุกข์ในด้านจิตใจเพราะกิเลสมันหลายประเภทความโง่เขลาของเราก็มีหลายประเภทเราฉลาดในการทำรรมาหาเกินเงียบฉลาดในความรู้วิชาฉลาดในการหาเงินหาทองเข้าของแต่เราอาจจะงโงู้ในส่วนหนึ่งภายในของเรา ความทุกข์ภายในใจจึงมีกลุ่มรุ่มจิตใจนี่พระพุทธเจ้าก็สอนให้มาพิจารณาเรื่องทุกข์นี่เป็นสัจธรรมอีกประเภทหนึ่งสัจธรรมเรื่องภายนอกก็ได้แก่ทุกข์ในครอบครัวเหตุที่จะทุกข์ในครอบครัวก็คือว่าความรู้ความฉลาดของเราไม่ทัน น, นั่นก็เป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ได้ทีนี้อุบายวิธีที่จะแสแวงหาจิตต่างๆมาเพื่อเป็นเครื่องเยียวยารักษาตัวเองในครอบครัวนั่นก็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 ศาสนาท่านสอนอย่างนี้ต่างหาไม่ใช่สอนว่าคนกุ้มรุมเอาทุกจุดของศาสนาทั้งหมดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกองเพิงไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยที่มาถึงเรืองสันติติโกเลยติดต่อข่แข่งไปที่การกล่าวมาทั้งหมดนี้ทั้งสัจธรรมภายนอกได้แก่ทุกสมูทายนิโรธมักเอาพูดง่ายๆว่าทุกสมูทายนิโรธมักในครอบครัวหนึ่งหนึ่ง ทั่ทั้งโลกเนี่ยแล้วก็ย้อนเข้ามาทุกสมูทายโรดมักในร่างกายและจิตใจของเหล่านี้เรียกว่าเป็นครอบครัวเฉพาะอันนี้ครอบครัวคือร่างกายของเรา น, นี่ก็ให้หาอุบายวิธีแก้ไขอย่างนั้นเราก็จะปรากฏเป็นความสมบูรณ์ความถุกความจเจริญขึ้นมาเช่นเดียวกับเราแก้ไขครอบครัวของเราให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาได้ทางโลกเทางนอกกับภายในเหมือนกันวิธีการ เนี่ยถ้ามาถึงเรื่องสันทิฏิโกทั้งสองคือภายนอกก็ดีภายในก็ดีจะเลยจากสันทิฏิโกนี้ไปไม่น่ะเพราะเรื่องภายนอกก็เป็นเรื่องของเราจะต้องรับรู้รู้และผิดชอบทุกอย่างภายในก็ต้องเราเป็นผู้รับรู้ในความดีความทั่วความสุขความทุกข์ของเราเมื่อเป็นเชนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราจะพยายามแก้ไขให้รู้ให้ฉลาดยิ่งกว่านี้ไปเป็นลำหนักลำหน นีหมายถึงอายาศัตรพัยในที่นี้การที่นาอญญายสัตรคือกองทุกภายในจมูทัยภายในมรรคภายในนิโรธภายในให้พยายามอบรมจิตใจให้ได้ไม่มากก็น้อยวันหนึ่งขอให้ได้มีความผูกทั้งด้านจิตใจทั้งด้านภายนอกคือครอบครัวเรียกว่าเราไม่ขาดเป็นผููดําเนินเสมอต้นเสมอปลาย ภายนอกก็เป็นไปได้มีความฉลาดรักษาตัวให้มีความถุกความจเจริญเหมือนบ้านเมืองเขาภายในก็พยายามรักษาตัวอบรมจิตใจของเราเนี่ยให้มีความถุกความจเจริญยือกยเย็นใจเกิดขึ้นจากธรรมะคำตรัสคําพพุทธิเจา้าที่เราได้อบรมภายในใจดีแล้วจะเป็นผลขึ้นไปเป็นลำหนับลำหนับดังที่อธิบายเมื่อกี้นี้ผ่านไปตั้งแต่สมาธิ เป็นลำดับถึงขั้นปัญญาแต่ไขภาระเครื่องกดท่วง จ, จิตใจอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาในทางใจได้ไปเป็นลำดับลำดับเมื่อถอดถอนอุปาทานเพราะอํานาจของปัญญาที่แกนารู้สภาพทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษ์ไตรลักษณ์อย่างถึงจิตถึงใจแล้วการถอดถอนก็ต้องถอดถอนถึงจิตถึงใจ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 ชาติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราได้จาะเข้าไปจาะเข้าไปความมืดเหล่านี้ก็จะค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวไปห่างไปจา ก, ก จ, จิตใจจิตใจก็จะได้มีความสุขความเจริญความผ่องใสความองอาจกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในหลักธรรมยิ่งเข้าไปความขยันมันเพียรก็ยิ่งคืบหน้าถอดถอนได้มากเท่าไหร่ก็เห็นคุณนานทสงคือความเบาใน จ, ใจิตใจก็ยิ่งมีแ ก, ก่จิตแก่ใจ ที่จะนาค้นควา้ามีนิดมีหน่อยก็ถอดถอนออกมาได้เป็นลนำดับลำดับเข้ามาสู่จนกระทั่งถึงวงแคบแม้ภายในจิตใจก็ถอดถอนออกได้จนไม่มีอะไรเหลือนั่นทนี่เราจะหาพุทธะที่ไหนเราจะหาพระนิพพานที่ไหนเมื่อใจผู้นี้เป็นผู้บริสุทธ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 พุโทโธของพระโพ ธ, ธิจาร์เราก็ได้กราบว่าท่านพุโทโธของเราก็มีอยู่ประจําใจของเรามีเป็นสันธิฏิโกอยู่ทั้งวันทั้งคืนรู้ชัดปัจจัตตังเมริตะโบวินอยูหิผู้รู้จะรู้ที่ไหนก็ต้องรู้ที่ตัวเองนี่แหละมีไม่ได้อยู่สูงไม่ได้อยู่ต่ําไม่อยู่กว้างอยู่แคบที่ไหน อยู่กับใจของเราดวงนี้เพราะกิเลสมันมีอยู่ที่นี่กว้างแคบก็มีเท่าหัวใจหนาบางก็เท่าหัวใจเมื่อแก้นี้ลงไปโดยลําดับลําดับแล้วความหมดสิ้นโดยของกิเลสก็ต้องหมดสิ้นไปเป็นลำดับความบริสุทธิ์จะใหญ่น้อยขนาดไหนนั้นก็ไม่เป็นปัญหาที่ประว่าหากรู้โดยลําพังตนเอง เรียกว่าปัจจังวิตฐบกจะรู้ได้ด้วยกันทุกคนเพราะทําเหล่านี้เป็นธรรมประจําใจด้วยกันผู้ปฏิบัติไปจะต้องรู้ต้องเห็นประจักนั้นนันขอให้พากันพยายามอยู่ที่ไหนไปที่ใดอย่าลืมว่าธรรมทั้งแท่งคือใจของเราความสุขความจเจริญไม่ใช่ของใคร แต่เป็นของผู้บินเต่ ง, งขวานขวายอุษสาพยายามบำเพ็ญนั่นแลผู้จะเป็นเจ้าของแห่งสมบัติอันนี้ในอวิสาเนพระธรรมเทศนาน้ขออำนาจแห่งคุณคพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์จงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุข ก, กายสบายใจและสมรำความมุ่ง ม, มากปรารถนาโดยทัวหนากันเทอ